เบ่งก็พ ว, ว่าเราเห็นดีได้การอยู่แล้วท่านอย่าบิดพืินไปเลยพรุ่งนี้เราจะพูรเ้ีกท่านไปกต่งปั่ผมเบ่นปักปัญหาเลยไม่ต้องบิดพิ้นละเป็นผีก็รับคังแล้วก็ลาไปรุ่งเชาวผมเป็นก็เข้าเฝ้าแล้วก็พูรไปเจ้าเราเสี่ยงทีเดียวว่าที่จะแต่งคนไปเมืองการางปั่นนั้น เ ป, เป็นจี๋คนนี้ได้การพอจะไปเจรจ า, าความเมืองได้เหมือนดังคิดไว้พระเจ้าจเราเปลี่ยนเปนฟัง้ก็ฟังเป็นที๋ให้ไปนมืองกังตังตามปีหมาอุปราหกหลวงของด้คิดไว้เป็นจี๋ก็รับรับฟังแล้วก็คำรับรา่าเป็นพูไดไปเจรจ า, าความเมืองยับยังสึกเมืองกังตัง ครานีอันไปกล่าวถึงกันตัดสักนิดหนึ่งก่อนฝ่ายลกซุ่นแม่ทับมนุมคนใหม่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงแต่ผลงานเกรียงไกรนะลกซุ่นครั้งปีพับหลอกปีแล้วแล้วก็ไม่ตามละ โดยประมาณเอาว่าเจผีต้องนำทัพมาตีกันงต่างแล้วก็เป็นจริงล็อกซุ่มก็จับพับสามทับตีพระเ จ, จ้าจผีแตกแตทั้งสามทางแล้วเนี่ยเอาล็อกซุ่มกลับเข้ามาก็มีความชอบพระเจ้าขุนกวนก็ตั้งล็อกซุ่มให้เป็นใหญ่เลื่อนที่ขึ้นไปอีกแต่มายฐานที่มีความชอบครั้งนั้นทั้งนั้นก็เลื่อนที่ลดรังกันไปตามระบับมากน้อย คนใช้ขันพระเจ้าโจผีคนใช้ขันพระเจ้าโจผีก่อนตามปิดปุ้มาอีกกับปุกพระเจ้าโจผีให้มีน้าผื่มาถึงการสังอ์ขณะที่เสช่วนเนี่ยคนใช้ขันพระเจ้าโจผีมาถึงเมืองกัางสังก็เข้าหาคุณนางแต่งความแบบฟังแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าฝุ่นกวนพระเจ้าฝุ่นกวนก็ถามว่าท่านมาด้วยธุระกัางวนันกัางดา คนรับใช้จากพระเจ้าโจผีก็ทูลว่าพระเจ้าโจผีใช้ขบเจ้ามาเฝ้าพระองค์ว่าเมื่อพระเจ้าโจผีให้ยกทัพมาสามทางนั้นให้ว่าจะแก้งตั้งใจยกมาตีเมืองกลางสันหหานิ้ได้ด้วยว่าเหตุนี้ว่ามีนักสืบของของเบ้งไปจ้างให้ยกมาช่วยและแบบนี้ พระเจ้โจผีเพมินก็ได้คิดว่ผิดอยู่แล้วกดฟ้างพระกโกรธพระโกรธของเบ่งจะให้ไปตีมือเสฉวนได้จัดแจงทัพด้วยสี่ทางแล้วแต่ยังทางบาน้วียดเสียนั้นน่ะก็ใช้มาขอกองทัพท่านเนี่ยขอกองทัพมือกลางต่างให้ยกเข้าไปตีเสฉวนถ้าตีได้มือเสฉวนแล้วก็จะแบ่งแผ่นดินให้ท่านเป็นขัดยัน การเจรจาความเมียงนั้นปวดเข้าใจว่าไม่ใช่ต้องเป็นจริงได้ทั้งหมดก็เจ้าผีคิดจะบดเคียกังสังเองน่ยฝังทรงทับมาเองแต่พอมาเจรจาเนี่ยโยนความผิดไปครงเบื้งนู้นแล้วก็อยูใ่ในกังสังโกรธเกรี้ยวเลยละ่ะพระเ จ, จ้าสุนควนท่านเด็กฟังคนช่ยจากพระเจ้าเจ้าผีแต่งดังนั้นก็ยังคิดกิด่รองอยู่ ก็เป็นคอยที่จะถามเปียวๆโกยงที่ปรึกษาสองคนอาเมียให้แต่คนใช้มันกลับไปภาพเรียบร้อยแล้วค่อยหาคนทั้งสองที่ปรึกษาคือใหญ่ทั้งสองเข้ามาคือเปียวๆกับโก ย, ยงก็ปรึกษาราชการกันละเปียวๆโกยงก็ทูลว่ะการนี้เห็นลึกซึ้งใหญ่หลวงอยู่จะต้องขอปรึกษาด้วยลกซึ่งผู้มีปัญญาก่อน มีที่ปรึกษาเก่าวแก่เดียวๆผู้เก่งกาจหนักหนาก็ยงเองก็เธอแต่ก่อนประมาทลบซึ้นแต่บัด น, นี้ต้องยอมรับขอปรึกษาด้วยลบซึ้มผู้มีปัญญา ก, ก่อนถ้าจะาสุกุลได้ฟังก็สั่งให้ลบซึ้นเข้ามาทีเดียวแล้วก็เล่าความทั้งปวงให้ฟังและเอาโจผีเจไปตีเสฉวนเนี่ยเล่าความทั้งสิ้นจบแล้วก็ถามว่าบัดนี้ ตามทั้งสิ้นท่งก็ทราบแวยเราจะคิดประการใดอย่างไรดีล็อกซึ่งก็จริงทูลว่าพระเจ้าเจีผีมีทหารมากก็ตามเธอและซึ่งพค่ไปปีหนึ่งเซตชวนนั้นขบเจ้เหนึ่งก้ากึ่งกันอยู่พระเจ้าเจียผียกมารบราวครั้งนั้นก็เป็นอริพยาบาทกันอยู่ ประการใดอย่างไรว่ามันสื่อขนได้มีไปจ้างก็ตามเพล่แต่บัดนี้เขาก็พอดทางเป็นไมเกรมาถึงเราเราก็จําที่จะต้องรับธุระเขานี่ยกขึ้นอย่างนี้ให้รับแต่แต่ว่าเราก็จะต้องกรึกกรองดูท่วงทีก่อนเมื่อไรสีพิศสีทางดังกล่าวที่แบบยกเข้าหันหั เสฉวนทั้งสี่ทางปีเข้าไปใกล้จะได้มือเสฉวนแล้วเราจรึงค่อยยกไปนี่ควณนกคิดลบซึ้นก็เป็นจริงตามทิ่กกหลงคิดไว้ก่อนเลยลบซึ้นแนะนำกลาวผูแ้แนะนำได้จะสนเกินเชนนี้ก็จริงละข้อห น, นึ่งอย่างไรก็ตามรับไว้ก่อนแต่จะทำได้ทำได้รอก่อน สี่ทางเขาเข้าไปถึงเมื่อไรเราก็ายกตามไปเมื่อ น, นั้นคือเรียวกว่าชนะลูกเดียวเพระเจ้าขุนกวนเมื่ฟันลูกข้นว่ากันนี้ก็เห็นชอบเบื้องก็จิ้ให้ริษาคนชา้าเพื่อจับโจผีเข้ามาทีเดียวแล้วก็บอกว่าท่านกลับไปก่อนเถอะเรารับล่ะเราจะต้องจัดจเตรียมเสบียงอาหารกองทัพทหารทั้งปวงแล้วจัดเตรียมทัพจัดการเรียบร้อยแล้วจะยกตามไปภายหลัง นี่คือการรับคำคนชาย่อเจ้าโจผี ก, ก็กราบลากลับไปบอกความทุกเมืองอะ ว, ว่าการแต่งะจะยกไปจัดยกไปทยนี้ฝ่ายลกสุ่นนั้นลาออกไปพระเจ้าสิ่นเกลงขงนห้งคนชายออกไปแล้วคือคนชายเมืองเมืองหูโตพระเจ้าโจผี ก, กลับไปแล้วเนี่ เจ่าสุขเวก็สั่งให้ทหารแตเที่ยฟอร์แนมนดูทั้งสี่ทิสี่พานนั่นแหละว่าเขายกเข้าตีแล้วรุ้ยไรทับต่างๆทั้งสีนั้นได้เคลื่อนกระดวนทับไปถึงไหนทำประการใดอย่างไรใหรีบไปคืนความทั้งสิ้นและใหเร่งกลับมาบอกโดยเร็วทหารกองฟอร์แนมนก็รีบไปเที่ยฟอร์แนมนตามรับสั่ง แหนกังตังไปเที่ยวสอดแหนมด้วยสีทิศสีฐานสาม ร, รับสั่งวันที่ไม่ต้องใช้เวลานานนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นดือกันทีเดยวละออกไปแล้วกกลับมาทูลความว่าบัดนี้หอกปียกไปปีฐ า, านบ่างแหบดึงขวนไปพบมาเฉียวเข่าหอบปีก็ถอยกลับเดนเหยกไปฐานเอ็กซิว ไปพบอุยเอียนเขาก็ถอยไปส่วนเบ่งตัดเบ่งตัดข่ากาวมือเฟชชวนที่ไปยอมสมันพักตอพระเจ้าโจพผีก็ยกทัพไปตามรับสั่งพระเจ้าโจพผีแก่ไปถึงกลางทางเขาแล้วเบ่งตัดบอกป่วยยกทัพกลับมามีเป็นสามทัพสําคัญ คือทับโจหญิงขุนพลร่วมแสกยกไปทางเพลงกวนไปพบจีร่งตัางทัพสากัดอยู่ก็ต้องถอยไปบบนี้ทัานสี่ทัพสี่ทางยกถอยกลับหมดแล้วรายงานรายงานจากกองสอบเงินมันยังไปเจอขุนควนชนิดก็หกล้มก็ะทำไว้สินและเป็นไปตามผลนุ่นหมดทั้งสี่ทัพสี่ทาง เพือจะุนทรได้ฟังคอนฟอร์มนมเอาความมาบอกนั้นก็จิงว่ากับคุณนานท่านปวงว่าลกสุ น, นี้มีปัญญาหนักหน่วงดีนะถ้าเราไม่ฟังลกสุนขืนยกไปก็จะพลิกใจกับคนเม่งเป็นพยาบาทกันไปแค่เปล่าเปล่าขนาดนั้ทุกจากเสกฉวนที่หกหลง พัดเลือกที่ย่งแยกว่าจะได้บุคคลสำคัญผู้นี้ส่งมากันงตังถึงกลางตังแล้วอาจจะไปรับ ง, งานเข้าไปกราบผู้ร่างงานว่าบันนี้เป็นจีถูกมาแต่เศษชวนแต่ขอเข้าเฝ้าเดี่ยวเดียวที่ปรึกษาเท่าผู้ใหญ่อายุยืนผู้นี้ก็จึงพูดว่าเป็นจีที่มาจากเศษชวนเนี่ยมีร้ายกตาม คนเด้คนใช้มาเจราจาเพื่อจะมีเรายกกองทัพไปเสฉวนนี่เปลเกี่ยวเขาเปล่าคะนนนก่อนเลยทีเดียวแหละพระจ้าสุนควรเด็กฟันก็ถามเี่ยเกี่ยวว่าถ้าเขามาเจราจาเหมือนที่ท่านว่านี่เราจะคิดประการใดอย่างไรดีละ่ะนี่พระจะาสุนควรตรัสถามแบบนี้ที่ความจริงนั้น เรืองไรเรื่องไรก็ตามไปบักเนี้ยเอากันโดยรู้แล้วเนี่ยการตั้งเคลื่อนคืพเข้าวฟงใชยชวนแม่แล้วแต่ทีนี้มันจะต้องมีการเจราจาพาทีโตอตอบกันให้มันไม่เสียเรียมไม่เสียครูว่าอย่างนั้นที่ถามว่าเราจะจะคิดอย่างไรจะว่าะอะไรยังไงดีเกี่ยวเกี่ยวก็ทุนทีเดียวว่ะเราจะต้องทาแยกคายให้กลัวกระาให้ถืออาวุ ยืนว้สองข้างทางแล้วเอาน้ำมันใส่กระทะใหญ่ตั้งไฟไว้หน้าที่นั่งนั้นแล้วจิงให้หาเป็นกีเข้ามาเฝ้านี่คือกระทำสินธมนาจให้ผู้แทนกลางต่างหวาดกลัวละพระเจ้าจส่งควัฟังท่านเตียวเกียวคุณนางสุเทพอายยืนกล่าวแม่เนีิเห็นชอบด้วยก็สั่งให้ทําตามที่เตียวเกียวว่าคือจัก ่อทหารรุ่นแต่กำยำบำสำาขังแรงวิงใหญ่หน้าตามอุทรุดูดังยืนถืออุเกลคมอยู่พร้อมกับกระทะใหญ่ใส่น้ำมันตั้งไฟไว้ด้วยแต่เกลียเสร็จเสร็จแล้วผู้คนไตตามเป็นจีเข้ามาเฝ้าละเป็นจีผู้เสชวนเดินเข้ามาเห็นการที่เขากระทำไว้ดังนั้นเมื่อเต็มเดินเข้ามาเนี่ยสองข้างท า, างของเติเนี่ย ก็มีทหารตังร่างร่างกำยำผงใดญ่ถืออาวุธปืนคมยืนอ ย, อยู่สองข้างเนี่ยแต่เป็นจีน่ะเป็นจีผู้มีผู้มีอารมณ์สนุกอุตสุดจะเรียกว่าเป็นผู้มองโลกในแง่ดีไม่ยังไงก็ตามเถอะนะนี่แหละบุคคลที่นี้หกหลงคับเลือดย่าแย่เลยเนี่ยเป็นจีเห็นการกระทาเขาอย่างเนี้ยแต่กลับไม่ได้สะดุง้งไม่ได้ตกใจกลัวกับประการใด เห็นแล้วก็วระเลยแล้วก็เดินด้วยก็นไปถึงหน้าพราะเจ้าฝุ่นกวนหรือว่าถึงหน้าที่กระทับล่ะเมื่อถึงแล้วก็ไม่ได้กลมล้มกราบตามธรรมเนียมไปอย่างใดด้วยก็เป็นแต่ยกมือขึ้นไหวแสดงความเคารพแบบธรรมดาธรรมดาเท่านั้นน่ะเธอเจอฝุ่นกวนนี้ก็กลัวก็ถึงว่าจะเป็นสีที่ว่าเป็นไรก็ยิง่งดูนิ่งเรา ไม่กราบตามทำเมียอะเป็นสีก็ตอบว่าก็เห็นขบเจ้าเป็นขุนนางมาแต่เมืองใหญ่แต่เพียงไหว้ท่านเท่านี้ก็ดีนักหนาแล้วทำไมจะต้องให้ขุนนางขึ้นมาจากเมืองใหญ่เป็นขุนนางแทนพระองค์ต่างเขาเมียพระกันต้อมากราบเจ้าเมืองน้อยอย่างนี้เราเป็นสีตอบอย่างนี้ เพราะเจ้าผู้คนได้ฟังนะยิงยิ่งทร ง, งพระโกรธนักละก็จรงว่าเรารู้อยู่ว่าเจ้ามีขั้นเจรจาผมเบ่งแแปลงใช้มาเจรจาเนียเรายกทับไปเป็นความจริงหรือไม่ผมเบ่งหนัดแแปลงใช้เจ้ามาคุยเจรจาความเมียเรายกทับไปทีิงหเสฉวนนี่จริงหรือไม่ท่านจงแวดูอะไรที่นั้น ที่ตัง้งไฟอยู่ในกระทะนั่นก่อนทีไปที่เกิดพระที่มีน้ํามันสูบไฟอยู่ข้างล่างแล้วจะน้ํามันในกระทะก็เดือดพร่ากีเดียวเป็กนกี่เด็กไฟดังนั้นน่ะไม่ไดมีความหวาดกลัวไปอย่างไรก็ต อ, อบไปว่าที่กขบเจ้ามาทางนี้ใช่ว่าจะเป็นธุระจะให้ไปช่วยมีเสฉวนก็หาหได้ที่ขบเจ้ามาเนี่ย ไม่ได้มาเจราจารยับยั้งประการใดอย่างไรไม่ใจะขอร้องให้ท่านไปช่วยเสฉวนที่ข้าพเจ้ามานี่จะมาช่วยมืองกันงตังหวังที้ทําไมตรีไว้กับเสฉวนข้าพเจ้าจึงได้มามนี่เพราะว่าตามความคิดของเขาละ่ะอี่ของเบงเรีไปถามเพียงครั้งแรกนี่เขาบอกจะไปไมตรีกัลางตังนี่นี่เขาก็บอกที่มหาราเนี่ยมาช่วยเมืองกลางตัง หวังจะทำไมเกรีไว้จริงได้มาและคนท่านตวงเล่าลือไปว่าท่านนี้มีสติปัญญาว่างขวานรักตะแ่ทหารข็าะเจ้าดูการที่ทำโดยท่านนี้นะ่ะเห็นไม่สมกับปากคนเล่าลือเลยเป็ี่ว่าอย่างนี้มีตำหนิด้วยมีคมอยู่ในทีด้วยไม่ได้มาขอรอ้อง จ, จะมาช่วยนะ เจ้าหนุ่มกูได้ังก็ถามว่าเจ้าเห็นอย่างไรอ่ะจึงว่าเราเนี่ยไม่สมกับปากคนลือเป็นกี่ก็ตอบว่าก็จะสมกับปากคนมู้ได้อย่างไรเี่ยเขาเ็เจ้ามาแต่คนเดียวเ่อนก็รู้อยู่ว่าที่มาเนี่ยมาเพื่อมาเจรจาแล้วก็มาคนเดียวแต่ถ้าในตังกระทะน้ํามัน ไฟ่ถุงไฟไว้ให้จนเดือดทันแตงทหารเตรียมไว้ป้อนรับขบเคี้ยมาดมาหนักหนาช่นเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนท่า น, น ก, กลัวขบเจ้านี่คือคํำตอบของเต็งจีเพื่อจะขึ้นกลัวโดวยการเต็งตีว่าฉะนั้นเห็นจริงด้วยจริงมันมาคนเดียวตัวคนเดียวอวุธ กระไรประการใดก็นี่ได้มีม า, แ ล, มามแล้วมาก็นี่ได้จะมารบมาฆ่ามาต่อสู้แต่ประการใดก็รู้อยู่จริงๆเนี่ยเ่อ จ, จะมาเจรจาเท่านี้แล้วก็แต่งการพูดเล่นอย่างนี้บานที่เตี้ยวเกี้ยวแนะนำแบบนี้พระเจ้าุบลก็ได้คิดตามคำของเปงตีก็ ค, คิดละอายแก่ใจนะก็จึงให้ขับทหารทั้พวงออกไปเสีย แล้วก็เรียกเต็มสีขึ้นมานั่งบนเก้าอี้เจ้าขี่กวีหลังจากที่เด้ฟังเต็มสีว่าข้าเจ้ามาแต่ผู้เดียวท่านก็รู้อยู่ว่าจะมาเจราจา แล้วมาตั้งกระทะแต่งทางหารเตรียมไว้ชนิดเนี้ดูเหมือนกลัวขาวเบญเจอพระเจ้าสิ่งควรได้ฟังเปิงจีว่าดังนั้นก็เห็นจริงด้วยแล้วเขาจะมาพูดด้วยแถวนั้นเองมาเดี๋มาข่ามาลบอกฟันกันสัดหน่อยจะไปกลัวอะไรคิด่าอายกิดใจขับผ่านบุบแล้วก็เหยีเป็นจีขึมาบนเก้าอี้แล้วก็ถามว่ามือนโจผีกับมือนารสั่ง ไปข้างหน้านั้นท่านจะเห็นรายดีประการใดจงว่าไปให้แจ้งอืมปัญหาง่ายง่ายแต่มันไม่ง่ายต่อการที่จะตอบเป็นจีด้วยความที่จะถึงคนถามดังนั้นแทนที่เป็นจีจะตอบคนดังกล่าวและปัญหาง่ายง่ายแต่มันไม่ง่ายที่จะตอบอะเป็นจีก็กลับย้อนถามว่าท่านพอใจ จะเป็นไมเกรีกับพระเจ้าโจผีหรือนะหรือว่าพอใจที่จะเป็นไมเกรีกับมืองเสฉวนละ่ะเป็นถามยังมีกับย้อนถามเอาแทนดิจะตอบไม่ตอบถ้าจะสูงกวก็จริงะ่าเรานะี่ยคิดจะไข่ดีด้วยมือเสฉวนอีกแต่ก็เกงอยู่ว่าเจ้ามือเสฉวนไม่ยังเยาวเกิดว่าจะดีด้วยกันไม่ตลอด เบงกีเด็กฝันที่จะพูน ก, กลัววาดดังนั้นก็จริงว่าถึงพระเจ้าเราเสียนยังยาวอยู่ก็ดีแต่คนเบงกมหาอุปราชได้เป็นหลักอยู่ท่านผู้มีปัญญาจงดำริดูเถอก็จะเห็นว่าไมตรีข้างหน้านะ่าจะยืดยาวประกาศนพระเจ้าโจผียกไปตีมือเสฉวนถ้ามือเสฉวนแตกแล้วเนี่ย ท่านว่าเมืองกังตังของพระเดชจะตั้งอยู่ได้แล้วหรือ hmm. การตอบปัญหาของเตงจีนั้นกลับไม่ตอบเป็นการตั้งปัญหาย้อนกลับไปอย่างนี้ hmm. ถ้าโจผีปีเศชวนแตกแล้วเนี่ยการตังจะตั้งอยู่ได้หรือประการินึ่งพระเจ้าโจผียกมาตีเมืองกังสังเราเมืองเสชวนไม่ได้ยกมาช่วย เห็นว่มือการตังน่าจะรับโจผีได้นะขอท่านดำวิดูให้ควรเถอะขอ้าพเจ้เห็นว่ามือเสฉวนกับมือกางตังเป็นไมตรีดีกันแล้วพร้อมใจกันยกไปตตีพระเจ้าโจผีเห็นจะได้เบิกสะดวกพิ่ขาวาพเาวาท่านเนี่ยเป็นความสับถ้าทำวัดท่านเจรจาหากว่าคลานแคลงอยู่ ข้าเจ้าจะขอดโจนลงในกระทะน้ํามันพิสูจนตัวให้เห็นเท็จและจริงเป็นจีิว่าอย่างนี้เลยคือมีการสะบัดสะมานกันละเอาในทถมองเนี่ยนจะกระโดกระทานน้ำมันให้ดูว่าแล้วกวาลุกขึ้นทาไปประ ด, ดุจเป็นหนึง่งแบบจะกระโจนลงมาในกระทะน้ํามันผิดเดือดคลานด้วยความร้อนนะพระเจ้่ฟื้นควรเห็นดังนั้นนะ่ะก็คิดว่าจริงนี่ต้องฟังให้ดี ที่เต็งจีเจรจามาเป็นจริงเป็นจังว่ากลางทางกับเฉลชมมันเป็นไมตจริก็ได้จริงๆแล้วจะเป็นไมตจริที่แท้จริงเพราะมีของเบ่งเป็นหลักอยู่แต่ความจริงที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยกล่าวคําปัจจุบันก็ได้คำหนึ่งว่ามันเป็นเพียงแค่กลมหาการเมืองเพรมันแบบแค่การกระทำเต็งสีที่ทำให้คุณัวเห็นว่าคิดว่าจริงน่ตกใจวิ่งเข้าไปยุดเต็นสีไว้ แล้วก็พูว่าเราเชื่อแล้วเชื่อแล้วแล้วก็จูงมือเตงจีให้กลับมานั่งติดกลัแล้วก็จิตว่าพ่าว่าเนื่อความมาทานี้เนี่ยก็หมือนน้าใจเราคิดไว้ทุกประกรันเชิญท่านช่วยเอาธุระเนี่ยกลับไปแจ้งจด้วยเถิดเตงจีในวินานั้นก็จิตตอบว่าเมื่อแรกขบเจ้ามานั้นท่านตั้งใจที่จะต้มขบเจ้าในกระทะน้ำมัน มาบัดนี้จะกลับใช้ไปนี่ขบเจอเมื่อใจท่านยังเรรวนในปกติก่อนหรือว่จะผันแปแรไปหรอวขบเจ้าพูดไปว่ากล่าวเนี่ยจะไม่ได้ความผิดหรือขอท่านในดัมเบกดูให้แม่ก่อนเอถอะเทวีียังมีลูกเล่นต่อไปยังเรเป็นขบถึงควรอย่างนิ่าจะ้ถึงคนเกลีดีริงป เราได้ออกวาจาแว้ก็ไม่กลับคืนคำท่านอย่าสงสัยเลยเธิยนท่านออกไปอยู่ปิดรับแขกเมืองกินอยู่ให้สบายก่อนเถอเต็งจีก็ออกไปครั้งเต็งจีออกไปแล้วพระเจ้าสุนกวมก็จึงกลับกับคุณนางทั้งปวงว่าเมืองเราก็ใหญ่หลวงผู้คนก็มา แต่จะหาคนรู้เจราจาเหมือนเป็นกี่สักคนก็ไม่ได้เตียวอุ่นเตียวอุน่นมีเขาจะเป็นคนเก่งขึ้นมาละ่ะเตียวอุ่นคุณนางผู้หนึ่งด้ยินพระเจ้าสุนทรว่าดังนังง้นก็ติ็ทูลว่าข้าพเจ้าจะอ า, าสาไปาเองคือจะต้องไปเสฉวนไปฟังคารมข้างเสฉวนดูว่าการเจราจาความมือครั้งนี้ว่าจะเป็นไมตรีแกกันเนี่ยมันจะมีจริงมีแท้แสงอยู่ประการใดอย่างไร เม่อจบสิ้นได้ฟังเกลุงว่าเดนมันก็จริงว่าซึ่งถ้าจะอาสาไปนั้นน่ะก็ชอบใจอยู่แล้วแต่เกรงว่าท่านจะไปเจราจาด้วยขนเบ่งเนี่ยเกลือก็จะไม่ได้เหมือนน้ำใจเราเดี๋ยวผลวก็ถูมว่าข้าพเจ้าเป็นคนเดินดินขนเบ่ก็เป็นคนเดินดินไม่ก็เหาะได้เหมือนกันแหละข้าพเจ้าก็เหาะไม่ได้ คนเรื่องก็หะไม่ได้ก็จะเกินยอะไรกับการเอาความเพียงเท่านี้ไปว่ากล่าวเตียวอุน่นอวดปติปัญญาของเตมกินดังนี้พระเจ้าสุนโคนได้ฟังเตียวอุ่นกล่าวรับรองถ้อยคําเข่งแขง็งมั่นคงดบบนั้นก็ชอบใจก็จินเนียระทารางวัลแก่เตียวอุน่นและก็ฟังให้เตียวอุ่นเนี่ยเป็นผูตใบเมียนเสฉวน เดเตงีเดียวอุ่นก็รับรางวันนั้นแล้วก็ขมับกราบ้ า, บาบออกมาหาเตงจีแล้วก็พากันออกเดินทางไปเฉยฉวนตามรับสั่งพระเจ้าสุนกวน คนเบ่งครั้งชาเปงจีตัวเมืองการสังแลวก็ทูลพระเจ้าเราเสี่ยงวะใช้เป็งจีไปครั้งนี้เห็นจะได้ราชการอยู่ดีร้ายเมืองการสังจะต้องใช้คนดีมากับเป็นจีเป็นมั่นคงเราจงแต่งการไว้รับเขาให้ดีเถิดถ้าเขามาถึงแล้วก็ขอให้พระองค์ให้หามาเพื่อจะทานโต๊ะ ไปกินโต๊ะแล้วก็ขับออกไปที่ยูเขาไปเจ้าจะพูดกับเขาต่อภายหลังมีขงเบงกล่าวแนะเหมือนดังที่เคยแนะนำพระเจ้าเราปีมาแต่ก่อนแล้วมาบันนี้พระเจ้าเราเสียงขงเบงก็วางแผนให้อย่างนี้แล้วก็ทูลต่อไปว่าทหารเรานั้นยังน้อยอยู่ถ้าว่าเราเป็นไมตรีดีกันกับมือการต่างแล้วฝ่ายโจผี ก็จะไม่ยกมาตีมึอเราเราจําจะยกไปตีเมือเบ้งเฮกเราจําจะต้องยกไปตีเบ้งเฮกจะมือมันอองก่อนเมื่อได้บมือมันอองแล้วจึงค่อยคิดเอามืองโจผีถ้าได้มือโจผีแล้วทำไมกับมือการตังก็จะอยู่ในมื อ, รมอเรานี่คือแผนการแพ่กระจายอย่างลึกซึ้งของฮกหลมโขงเบ้ง ทรเต็มสีไปเจราจาเปไ็นมมตรีดีดีรักมีฐานทุกประการแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยก็เจบกลีกนกางตั่งอย่างสบายๆต่อภายหลังนั่นเองเพระเจ้าเราเสิ่มได้ฟังของเบ่งปูจกาทีแจงการทั้งสิ่งทั้งพวงกระนั้นก็เห็นชอบด้วยและคนเบ่งก็ลาไปก็พอดีทหาร เขามาทูลว่าเมืองกันตันใช้เตียวอุนเป็นทูกมาพร้อมดิเปิ ง, จ, งจีพระเจ้าระเสงแห่นั้นก็เอริข้าเตียวอุนเป็นจีเข้ามาครั้นเตียวอุนเป็นจีเข้ามาถวายบางังคมแล้วพระเจ้าจะระเสงกดฟังให้จานโต๊ะมาประทานให้กินโต๊แล้วก็ว่าท่านเหนื่อยมาไม่เดินทางไกลธุระกนนานนะเชิญไปพักอยู่นตึกรับแขกเมืองให้สบายก่อนเถอะ เป็นจีเตียวอุ่นก็ะทรนับรับออกไปตามรับสัง่งเป็นอนารมอ์พูดปากดีให้จากกงต่างแต่เขาบอกว่าตัวเขาเองดีนะลักษณะของเตียวอุ่นนีจะเป็นอย่างไรยกปมมาแล้วอย่างไรประการดใดเรามาดูบุคคลทีน้นีกัน คงเดินก็เดินบินเท่าก็เดินบินคงเดินเหาะไม่ได้ฉันก็เหาะไม่ได้อะจะเก่งกาจกว่ากันยังไงอะโดิมไม้แรกเขาแหละพระเจ้าเราเปลี่ยนจากเลี้ยนแล้วก็ให้ ป, ประทับดรีช้าวขงเบงก็ให้หาเต็นกีเตียวอุ่นมาแล้วก็เชิญให้นางที่สมควรฟังให้โยกโต๊ะมาให้เต็งกีเตียวอุ่นกินอีกเลี้ยงอีกและขงเบงก็ถึงว่า ครั้นพระเจ้าราปีเมื่ยังฟงพระชนอยู่นั้นยกทหารไปเมืองกังสังเป็นอริวิวาผิดกันกับผิดกายกันกับพระเจ้าสุนกวนแต่มาบัดนี้พระเจ้าราปีก็ดับสูญแล้วพระเจ้าราเเฟียนวุรเชอโรถได็ก้อเราจะสมบัติต่อมาจนทุกวันนี้ ผิด พ, พระเจ้าเราปีทําการผิดมาแต่หนหลังนั้นอย่าให้พระเจ้าฟุ่มเฟือถือพวกพยาบาทมาถึงพระเจ้าเราเสี่ยมเลยก็ะจะได้เป็นพานเป็นพระจ้ไมตรีอันดีต่อกันมีทุวะสิ่งใดก็จะได้บอกถึงกันจะได้ช่วยกันกําจัดโจผีท่านจงเอาม น, นืความเนี่ยไป แ, แจ้งใับพระเจ้าฟุ่มเฟือยฟังเถอะมีข้อเบีกายัง ถ้าเราฟังกันเท่านี้ก็ช่างดีว่าเกินแต่ทรย้อนกลับขึ้นไปเมื่อคู่นี้นิดเดียวที่คองเบ่งปราบภูมิแผนการที่จำเดินดำเนินการเมืองต่อไปยังไรประการใดเนี่ยกอดจะตีเบ่งเฮกตีเบงเฮกเสร็ตีโจผีแล้วทำไมกลับเมืองกังสังก็จะอยู่ในมือเรานั่นตอนที่หหลวง เจรจากับพระเจ้าลอสเซียงแต่บัด น, นี้หกล้มมาเจราจากับเปียวอุ่นนี่เป็นไม่เรืความอ่อน น, อ น, น, น้อมพินมนอกปิดเทาเป็มด้วยความจริงใจหวาดเกรงและเกรงกลัวการเข้าใจผิดต่างๆนานาประการอย่างนี้ขอท่านจงเอาเนื่อความมีไปแจ้งให้พระเจ้าขุนกวนฟังเปียวอุ่นไม่ฟังคนไร่ ว, ว่าดังนั้นก็ตอบว่าพระเจ้าขุนกวนหาผู้พยาบาทใหม่พันย์สงสัยเลย ข้าเจ้าจะเอาคำของท่านกลับไปแจ้งให้พระเจ้าสกนทั่นเป็นจีรับแผนการนี้ขนเด่ก็ฟังให้เต็งจีกเตียวอุนรับแผนการนี้แล้วนเด่งก็ฟังให้เต็นจีกาเตียวอุนรับแผนการนี้แล้วนเด่ก็ฟังให้เต็ีเนี่ยกลับไปพร้อมกับเตียวอุนคือกลับไปกางฝั่อีกวันนี้กางไปมาส่งผู้เจรจาถึงกัน เป็นรประหัดสบไยตีกัจกรรนเนี่ยเปลี่ย้นเป็นยสีก็กลากลับไปเมือกงกัางปันท่านูดันสองนี่ไปถึงเมืองกัางปันเอากบบอกอบหไาให้ไปทุนเพเจอส่วนควรคือจะต้องมีคุนนางอรับ ของน า, า ก, ก็ไปกลาวพูดไปจอสุจอสุขเวรดูกฎฟังให้หาเตียวอุ่นเป็นจีเข้ามาเตงจีเตียวอุ่นก็เข้าไปทำนับมมพระเจ้สุขกวรและเตียวอุ่นผู้แม่ใจหรือเตียวโมหูตนไปดำเนินความเจราจาการงานสำคัญที่ำเร็จเรียบร้อ ย, ยดีมานี่ยก็มาทูลทีเดียวว่าพระเจ้าเล่าเสียงกับคงเบ้งเนี่ยว่ากล่าวมาทั้งเนี้ยเห็นศึกจริต เรื่องอยากได้กลางแคลงพระพายจะประการใดอย่างไรเลยเพจะได้เป็นทางในตีต่อกันสืบไปเดี่วอุ่นผู้คิดว่าตนเก่งแล้วก็เล่าความไปฟังทุกประการอ่ะไปถึงยิว่าเป็นประการใดพระเจ้าเราเปลี่ยตนต้อมรับอย่างไรหกรลมขนเบ่มายห้นนาตลาดใหญ่แห่งเมืองเสฉวนต้องรับอย่างไรเจรจายอย่างไรเนี่ยก็เล่าความไปฟังุกเรื่ฟังทุกประการ พระเจ้าจสุวรรณไฟังเตียอุ่นว่าแต่ทั้งที่ดีทังนั้นจะนี้ก็ชื่นชมยินดีนะเาก็สั่งให้โยกโต๊ะมาประทานเป็ีเตียอุ่นกินเป็นจีกันกินโต๊ะเสร็จแล้วก็ลาพระเจ้าจสุวรรณกลับไปเสฉวนแล้วก็เป็นอันว่าตั้งแต่นั้นมาเมืองการสังกับเมืองเสฉวนก็เป็นไมตรีมีต่อ ก, กัน ต้องกล่าวให้ลึกลงไปอีกนิดนมันเป็นพิรลมที่สงบนิ่งเนียสนิทดึกเพลนใหญ่พายุใหญ่จะเกิดขึ้นในภายหลังต่างหักหกหลงประสงค์จะทำไมตรีกรในเบื้องต้นเป็นขั้นแรกแล้วก็จะรุกเวมนเมืองทั้งสิ้นเข้ามาอยู่ใต้ มาพาพระเจ้าเล่าเสี่ยมให้จนได้ตังหะหลัต่างมือต่างก็มีกองฟอดแมมกองสืบข่าวพวกสืบเนือราชการรับต่างๆานานาประการเหล่านี้ทีนี้ข้างคนฟอดแมมของฮูโตโจผีเนี่ยก็เอาเนื้อความเนี่ยไปทูลพระเจ้าโจผีเราวัดนี้ เมืองกลางังกับเมืองเสฉวนให้คนไปมาถึงกันเป็นไมตรีดีต่อกันแล้วเมืองั้งสองเป็นไมตรีกันแล้วถ้าเจ้าโจผีได้ดฟังความดังนั้นก็ข้มาปรึกษากับพี่ปรึกษาทั้งพวทีเดีวว่าเมืองกลางังกับเมืองเสฉวนนี่ยบัดนี้เป็นไมตรีดีกันแล้วมีร้ายก็ตามเห็นจะต้องยกกองทัพมรรจบกันมาตีเมืองเรา เราจะหนีหรือจะหนี้ม่ได้เราจำจะต้องยกไปตีเอาเมืองกังตังที่ปัดษศึกซะก่อนเพรา ะ, จะเจาโจผีกรับดังนี้สิ้นผีที่ปึกษาก็ทูลว่าข้าพเจ้าเห็นว่าเมืองเราวกว้างขวางใหญ่หลวงแต่คนน้อยอาหารก็น้อยของนดได้ทำมาสักสิบปีก่อน สะสมจะเบียงอาหารให้มากพอแล้วจึงค่อยยกไปทำศึกย์พระเจ้าโจผีได้ยินซึ่งผีว่าเังนี้ก็โกรธสิปีก็จึงว่าความคิดท่านเหมือนเด็กน้อยเราเรือเดว่าเมืองเสฉวนกับเมืองกังตันไปมาหาสู่ถึงกันเป็นในปีวกกิกากนเมื่อเป็นเช่นนั้น มันก็หมายความว่ามึงทั้งสองจะรวมกำลังกันยกมาย่ำมีเมืองเราควรหรือท่านจะอยู่ธรรมมาถึงสิตปีเราไม่ฟัง้วจะเริ่มยกไปตีตอมเงกันแต่งสก่อนสุมาอี้ที่ปรึกษาคนสำคัญผู้วางแผนสึกห้าทพห้าทางห้าพิกมูลเพื่อจะบทขยี้เซชวนง่าย แผนนั้นก็มาลายไปแล้วไม่ยเป็นผลดยไม่แต่น้อยแต่บัด น, นี้เมื่อพระเจ้าโจถีมีรับสั่งจะไปเมืองกลางต่งเนี่ยุณมาอีที่ปรึกษานั้นก็ทูลว่าขทางจะไปเมืองกลางั่งนั้นแม่น้ำก็มากยากที่ทหารจะข้ามขอพระองค์แต่งเรือและยกทัพหลวงตีเข้าไปทางปากน้ำซีฉุน ตีเอาเมืงน้ำฉีและวตีตรงเข้าตีเมืองต่างๆเห็นจะได้เด้งง่ายสุมาอีสนับสนุนประการรบในสุมาอีสนับสนุนทุกประการมาเลยเพื่อเก็บเจ้าผีในฝันก็เห็นชอบในสุมาอีก็สั่งให้แต่งเรือรบใหญ่ยาวสี่สิบวาส่สวานี่สองเส้นน่ะบรรทุกคนได้สองพสิบลำ เราเรียรบอย่างน้อยอีกสามพันวันให้มีม้าอันเป็นพาหนะสำคัญทางบกเนี่ยใส่ไปในเ ร, รือสำหรับเตือนนายและเก็เร่งรัดกระทาทั้งกลางวันและกลางคืนเจ้าพนักงานก็ไปเร่งรัดจัดทาตามรับสั่ง อันว่าฮูโตโจผีจะปีาาพาทับบทขยี้กังตังก่อนละในขณะนั้นพระเจ้าโจผีสวยะจะสมบัติมาได้ห้าปีตรงกับปีพุทธศักราช1667ครืนถึงเดือนสิจะยกไปปีมอกกังตัง เธอเจ้าโจผีก็จึงให้หาคุณนะาะฐานทั้งตัวมาปรึกษากันขันพรแ้วก็สั่งโจจิ๋นคุณมฐานเป็นพับมากให้เปียวเรียวเปียวครับมีหยฐ า, านเก่าครั้งสมัยจโจโฉอยู่กับบุญเพ่งและศีหลงสี่คนนี้คุณฐานเป็นกองฟอดเงินเขาทูลิย่อย สองคนนี้คุมทหานเป็นปีกซ้ายขวาให้เจฮิวคุมทหารเป็นทัพหลังนี่แม่ทัพมากกแส่โจคือโจอจิ้มแม่ทัพหลังกวแส่โจคือโจยิวแล้วให้มีเตียวจีเหล่าวัวเป็นที่ปรึกษาไปในกองทัพหลวงและเกณฑ์ทหารยกทัพ บ, บกไปด้วยเข้ากันกับทั้งทัพเรือเป็นทหารสามสิบหมื่น ให้สูมาอี้อยู่รักษามือครั้นจัดแจงทับพร้อมแล้วได้เลิกพระเจ้าโจผีก็เคลื่อนทับไป <S <S ของฝ่ายกองปอดแนมนทหารคนปอดแนมนขัน้นเมืองกังสังก็ต่อมาสืสบทรพับความเด็อดสาบวนความนี้ก่อความไม่ไปทูเพระเจ้าสุ่มกวนว่า บัดนี้พระเต้าโจผียกทัพ บ, บกทัพเรือมาเป็นจำนนมากตีเข้ามาทางปากนา้ําซีชุนจะขึ้นมายังเมืองน้ําฉีพระเจ้าสุนทรในตอนนั้นก็เสียใจก็ถามที่ปรึกษาทั้งตัวว่าโจโฉยกมาครั้งนี้เราจะคิดประการใดดีโกยงแที่ปรึกษาคนสําคัญก็ทูลว่าเราจะแต่งทัพไปตั้งรับโวยนะ้ำเมืองน้ําฉีก่อน อันหน่งเมืองเสฉวนกับเราก็เป็นไมตรีกันแล้วจดจำจะต้องมีหนังสือไปถึงคงเบ้งขอกองทัพไปมาช่วยให้ยกมาทางด่านทันเต้มสกัดปีพระเจ้าโจผีก็เห็นว่าศึกเมืองหูโศกคงจะมาไม่ถึงมือเราก็หยองวางแผนสกัดกั้นให้ดังนี้พร่เจ้าฟูนก็ได้ฟังก็ตินว่าการนี้นะเห็นใหญ่หลวงอยู่ จะจับทัพผู้ใดไปนั้นยังไม่เห็นด้วยถ้าให้ลบซุ่นลกซุ่นนี่เราขุนฐานตัวสําคัญนีม่มีการจะต้องรบทัพจับตันสําคัญก็จะต้องมีถึงลกซุ้นละในะตอนเนี้พระเจะฝสุนโวยว่าถ้าให้ลบซุ้นยกไปก็เห็นพอจะรับได้และท่านได้ขอกองทัพหนึ่งเสด็ชวนมาช่วยด้วยนั้นเราเห็นชอบด้วยพระเจ้าจสุนโววัรรับฟังดังนั้นแล้ว กดแต่งนังสือส่งให้คนไทยถือไปยังเมืองเสฉวนกกโยงที่ปึกษาคนสำคัญนี่ก็ทูลตอไปว่าเมืองเกงจิ๋วนี่ก็เป็นที่สําคัญอยู่โลกซุ่นรักษาเมืองเกงจิ๋วไว้ชนิดและถ้าลกซุ่นละเมืองเกงจิ๋วมาชนันนั้นนิบากนโยงกล่าวดังนี้พระเจ้าถูกได้ฟังก็ยิ่งชอบด้วยก็จริงว่า แล้วเราจะแต่งให้ผู้ใดยกไปดีชีเซ่งชีเซ่งมีทหารขุนทหารกาวคนสำคัญเพื่อทูลว่าข้าพะเจ้าขออาสายกกองทัพไปตั้งอยู่ในเมืองน้ำฉีแม้พระเจ้ากูผียกมาก็จะออกรบจับตัวมาถวายให้เจงได้ชีเซ่งรับอย่างนี้พระเจ้าฝึกวนได้ฟังก็ยินดีนะ ยิ่งแต่งให้สีเส้นเป็นนายทัพคุ้มฐานยกไปตั้งอยู่นะแม่น้ําชีครั้นชีเส้นยกไปตั้งอยู่ในะแม่น้ําชีแล้วก็สร้างานทั้งปวงใ็้จัดธงเทียวทําไวให้มากฝ่ายซุ่นเสียวหลานพระเจ้าขุนกวนก็จึงเข้ามาว่ากับชีเส้นว่าพระเจ้าโจผียกกองทัพมาฝากทาโน้น ข้าพเจ้าจะขอทหารแต่เพิ่มห้าหมืข้ามไปตีกองทัพพระเจ้าโจผีให้แตกไปให้จบไ ด, ได้ที่เส้นก็จริงว่าอันจะข้ามามาไปนั้นนะ่เราไม่เห็นด้วยพระเจ้าเกผียกมานะ่ะมีฐานดีๆมีฝีมือมากนะถึงจะยกไปรบฝ่าข้างโน้นนั้แล้วก็เสมุนเอาแม่น้ำไวยข้างหลังเนี่ยมิชอบเลยเราคิดไว้ว่าท้าพระเจ้าเกวผี ยกข้ามมาสิเราจะสีให้แตกไปนี่แผนการมันกลับกันละ่ะซึ่งเสียวหลานที่จะสูขวรเด็กฟั น, นรู้ว่าท่านซิคลงอยู่แล้วไ ม, ไม่ยกไปฝาข้างนู้นได้ขบ a j เ จ, จะขอคุ้มทาหารของ ข, องขบจ้าข้ามไปรบเองโดยท่าทางฝากข้างนู้นขบจ้ารู้อยู่สิ ทีเส้นเดียวนนั้นก็ห่านสูนเสียวไม่เล็กไปถึงสองครั้งสามครั้งสูนเสียวเมื่ความเป็นหลานพระเจ้าจสุนกลวนก็ไม่ฟังทีเส้นก็โกรธก็จริงว่าพระเจ้าจสุนกวนตั้งให้เรามาเป็นนายทับบังคับทหารทั้งปวงเราว่ากล่าวห้ามท่านก็ไม่ฟังทีเส้นก็สั่งทหารให้เอาตัวสูนเสียวมัดไปฆ่าเสย ทหารก็เข้ามาจับตัวซุนเสียวมัดตัวเอาออกไปขัางฝ่ายบ่าวของซุนเสียวคั้เห็นเขามัดหมายของตัวนันก็ตกใจขึ้นมารีบกลับเข้าไปเมืองกังสังเข้าไปปุนนพระเจ้าสุนกวนตามเหตุผลมันพวงนี่แหละพระเจ้าสุนกวนในฝันก็ตกกระถ่ายเหมือนกันก็ขึ้นมารีบมาถึงก็พอดีทหารชักดาบจะลงดาบฟันซุนเสียวแล้ว พระเจ้าขุนคุลมาถึงทันกัเวลาเลยก็ร้องห้ามขึ้นว่าอย่าเพิ่งฟันก่อนทหารไผีมันก็ตกใจยังดาบไว้พระเจ้าขุนกุลก็เข้าไปให้แก้มันพูนเสียวออกเสพูนเสียวก็กราบลงแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ทูลความที่ว่ากล่าวกันเลฟังทุกประการละว่าตนจะยกข้ามฝ่าไปรบ ก, กับทัพเทิงแต่ว่าทีเช่นไมยินยอมอ่ะแล้วก็ยังสั่งจับกระเเจ้ามาประหาร พระเจ้าสุนโขเด็กฟังนั้นก็พาตัวสุนเสียวเข้าไปในค่ายฟายชี้เส้นเห็นพระเจ้าสูนควรสเสด็จมาเองดังนั้นก็กราบดวงแล้วก็เชิญเสด็จขึ้นหนังนาะที่สมควรเหลียวไปเห็นสุนเสียวเข้ามาแล้ก็โกรธก็จึงทูลพระเจ้าสุนควรว่าพระองครับฟังแบ่ ง, งปันในกระบวนกเป็นหมายทับบังคับทหารท่านปวงสุนเสียน่ะผิด ที่ิฟังบังคับ ข, ข, ข้าราชกาโทษถึงทหารข้าราชการจึงให้ฆ่าเสียแล้วทำไมพระองค์จึงให้ปล่อยเสียหรออาชีพเส้นก็อ้านอาญาทับอย่างนี้พระเจ้าสุนโว้วสุนเสียวไม่มีความคิดจะเอาแต่กำลังแรงออกไปรบซึ่งไม่ฟังบังคับท่านนั้นสุนเสียวก็ผิดอยู่ แต่เราขอชีวิตสุนเสียวสักครั้งหนึ่งเถอะที่เส้นก็ถูมาผู้ขับขืนนิฟังบังคับไมยพับหมยกองดังนี้ใช่ว่าข้าพเจ้าจะให้ข้าแล้ตามลำพังใจก็หามิได้โด่ น, นี้เป็นประเพณีพัพเป็นอาญาศึกมาแต่โบราณและพระองค์จะมาขอลุกกระโทษให้แกสุนเสียว บ่อยเสียดังนั้นถ้าผู้อื่นจะทำผิดไปข้้งหน้านั้นจะให้ข้าพเจ้าทำประ ก, การใดที่เส้นไม่ยอมพระเจ้าสุนกวนก็จรงว่าสุนเสียทาผิดท่าเหุ้ฆ่ากานนั้นเราก็เห็นด้วยอยู่แล้วแต่พี่เราเมื่อจะตายนั้นเขาได้ฝากฝันสุนเสียผู้เป็นบุตรเข้าไว้แก่เราเราก็รับคำ ทิ้งมาขอโทษให้แกซุนเสียทั้งนี้ถ้า ท, ท่านยกให้ก็เหมือนท่านเห็นแก่เราขอท่านจงเห็นแกนเราเถอะชี้เส่งเด็กฟันพระเจ้าซุนกวนกล่าวาวรวนดังนั้นก็ยกโทษถวายให้พระเจ้าซุนกวนขวได้ร้องสั่งซุนเสียว่าให้เข้ามากราบขี้เส้นฝ่ายซุนเสียนี่ต้องเรียกว่าพระเจ้าอัยาเธอ ไเบยิมนี่ก็โกรธไม่ทําตามรับสั่งพระเจ้าสุนกวนก็ร้องว่าข้าพเจ้าจะข้ามไตรรบพระเจ้าเจผีฟาดขนโท่านห้ามไม่ให้ไปรบความคิดท่านดังเนี้ยข้าพเจ้าหาเกรงไม่พระเจ้าสุนกวนได้ยินดังนั้นนิดเมื่อว่าการะทํากันต่อพระพักจะเนี้ยก็โกรธขับชุนเสืออกไปแล้วขันมาพูดกับกีเส้งว่ะ สินเสียว่ชัวนนะท่านอใช้มันเลยว่าเถนล้วถ้าเสุนควรก็กลับไปไฟสุนเสียวเนี่กดด้วยความเป็นหลานอืมถ้าจ้าหลานยาเธอถ้าจะสุนควรสุ้นเสียวเนี่ยกลับออกมาเนี่ยคลิกแขนนะะักกับครั้นเวลาครัก็รอบยกทหารใต้บังคับบัญชาของปัวสามพัน ไปคอยฆ่าสุดอยู่ทีนี้ฝ่ายทหารฝรัน่นทหารของขีเส้นเนี่ยรู้ก็เนื้อความไม่เขาไปบอกแกชีเส้นว่ามันที่สูนเสียวะ่ะยกทหารของตัวข้ามฝากไปแล้วขีเส้นในฝ่ายนันก็ตกใจกลัวจะเสียการก็จึงฟังให้เต็งฮองคุมทหารสามพันยกข้ามฝากไปเพื่อจะคอยช่วยเหลือสูนเสียว ฝ่ายพระเจ้าโจผียกทัพมาถึงตำบลกองเหลงแม่นามมันกว้างนะักก็จึงถามโจจิน๋นแม่ทัพมากของพระองค์ว่าแปรไปข้างฝากโ น, น่นเห็นค่ายตั้งอยู่ทหารจะมีสักเท่าไร เจผีก็ทูลว่าข้าพเจ้าแสไปก็ไม่เห็นค่ายครูแม้คนอยู่ก็จะมีธงเทียวปักเป็นสําคัญเจ้ากลิน ว, ว่าอย่างนี้พระเจ้าเจผีก็สินว่าเกิดเขาจะทํากงอุบายประการใดอย่างไรรอกระมงังว่าแล้วก็ขึ้นไปยังที่สูงหน้าเรือรบแลดูไปก็ไม่เห็นคน ก็จิงผินหน้ามาว่ากับเหล่าหัวที่ปรึกษาว่าดูไปไม่เห็นคนไม่มีคนแล้วนี่เราข้ามไปเถอะเหล่าหัวเตียวกีก็ทูดว่าเขารู้อยู่ว่าเรายกกองทัพมาก็ควรหรือเขาจะไม่จัดแจงทหารออกมารบมิเห็นสมดีร้ายจะต้องมีผู้คนอยู่เป็นแน่ขอให้งดอยู่ก่อน ดูสักสามวันก่อนเถอะแล้วจริงใช่กองทัพมากข้ามไปดูอืมที่ปรึกษาทั้งสองทวงขึ้นบางนี้เพื่อเจ้าโจตรีได้ฟังก็เห็นชอบด้วยก็จิงฟังให้หยุดพัพอดสมอวัดครั้นเวลาขําแรดูไปที่ข้าที่เห็นน่ะแต่มันไม่ใคยเห็นกไกลๆนะมันต้องอยู่กันกไกลๆก็เพียงจะพอเห็นพอขําแรดูไปก็ไม่ได้เห็นแสงเพลิแงแสงไฟอะไร ข้างฝ่ายชีเซ่เน่ยตอได้ยกทัพมาแล้วนี่แต่แรกแล้วสั่งให้เก็บทงทิวหมดไม่ให้มีการปากักพงเทีวะชีเซ่จะทําอย่างนี้ฝ่ายชีเซ่งน่ยก็รู้ว่าทัพพระเจ้าโจผียกมาก็สั่งให้ฐานเอาฟางมาผูกเป็นรูปภุมใส่เสื้อให้มีสีต่างๆกันให้จงมากแล้วก็ปัดพงเทียวรายไปแต่เมืองน้ําฉี่ เราบอไปถึงนี่เซกเทาให้แล้วเสร็จในค่ำวันนี้ทหารก็ไปกระทำตามคำสั่งแล้วเสร็จตามคำสั่งฝ่ายพระเจ้าโจผียืน ย, ยังพับอยู่นนั้นครั้งเช้าหมอกลงหมักเวลาสายหมอกจางหายไปแล้วแปลไปที่ค่ายนั่น เ, เห็นค่ายครูประปูนหอรบถู้คนทงเที่ยว เป็นผุดสภาพไปหมดก็ตกใจฮุก็ปึกษากันว่าจะเข้ารบห่ะแต่ว่ายังมีทันขาดคำก็เกิดลมพายุาพัดหนักคลื่นใหญ่คนจะยืนทําการก็ไม่กลงได้ต่อเรือเรือของที่เจ้าโจผีเนี่ยก็ถูกคลื่นลมปิงว่าจะล้มจนมาไปทีเดียวโจกิหมายครับมา เห็นเือเพละเจ้าโจผีเวงียจะล่มดังนั้นก็จะให้บุญเพ่งเอาเรือเข้าไปช่วยพระเรจ้าโจผีก็ลงมายังเรือบุญเพ่งแล้วก็ถอยไปพอดอยู่ในคลองอันพอเป็นที่กำบงังลมพายุใหญ่กระหน่ำเรืยรบแตล่มไปประมาณถึงสาสิกรลำ มีข้างฝ่ายเสฉวนละค ง, งเบ่งสิฝ่ายคงเบ่งได้รับหนังสือพระเจ้าู่กวนมีใบบอกขอปองทัพไปไปช่วยอ่ะคงเบ่งเกาเมียอควาไม่เข้าไปทุนพระเจ้าเราเสีย่ยมแล้วก็ว่าขอให้จูุ่งคุมทหารยกไปช่วยตามที่พระเจ้าฝผ่้กวนบอกมาเถิดจูุนงได้ฟังนั้นก็ลาไปจัดแจงทหารแล้วก็ยกออกไปยังดาน ยังเพ่งขวนจะไปตีเอาเมืองเซิงอันถึงเป็นเขตแคว้นแดนของโจผีฝ่ายฐานกองสอดแนมเนี่ยเก่าเนื้อความมีไปบอกแกพระเจ้าโจผีล่ะอยู่ประเทศปิดแดนต่างันู่นอ่ะว่าบัดนี้ยูล่มงฐานเอกมิลเสดชวนคุทหารโยโกมา ย, ยังดานยังเพ่งขวนแต่เข้ามาตีเอาเมืองเราพระเจ้โจผีได้ันันกด็ดิ่งตก ใจนักก็สั่งให้ถอยทับกลับเมืองทหารทั้งพวรู้ในรับสั่งดังนั้นก็ถอยทับกลับไปฝ่ายชีสิงขันรู้ว่าพระเจ้าโจผีถอยทัพแล้วก็ขับทหารลงเรือรบไล่ติดตามพระเจ้าโจผีพระเจ้าโจผีพรนหนิทับเรือเมืองกลางต่างไล้ติดตามมันก็ตกใจก็จึงคิดว่าจะรบมาก็าต้องระวังด้วยองหลัง แต่นีไปทางเรือราก็เป็นทางอ้อมก็สั่งถานทั้งเปลืองว่าอย่าได้อะไรแก่ข้าวของเลยถึงเรือรบทั้งเปวืงนี้ก็เผาเถอะเร่งขึ้นบกยกรีบกลับไปให้ถึงเมืองเราโดยเร็วทหารทั้งเปลงก็จอดเรือเทียบฟันแต่บางก็จะขึ้นบกบางก็จะเตลื่อนข้าวของต่อทพอจะเอาไปได้ เอาไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งไว้และก็จุดไฟเผาเรือรบอยู่นี่กำลังกระทำการนี้ฝ่ายซึ้นเสียวซุ่นเสียวหลานหลานก็จะการตัง้งหลานก็จะขุ่นกลววซุมเสียวที่คุมฐานดึงดันมาเนี่ยรันต่อคำสั่งชีเส้นเป็นครั้งที่สองอีกด้วยเนี่ยเห็นพระเจ้าโจผีถอยพับและก็กำลังเผาเรือกาลังขึ้นบก ขึ้นเสียโอนดังนั้นก็จุดประทัดโหร้องขับทหารยกเข้ารบรหักเข้าไปเลทีเดียวขมานั้นถามพระเจ้าโจผีเห็นข้าศึกรบเข้ามาทางบกเลยนั้นก็ตกใจมากลับตัวไม่ทันบางก็ถูกอาวุธบางก็หนีมาแล้วก็จนน้ำตายเป็นอันมากทหารที่ขึ้นบกได้ก็ต่อรบด้วยครั้นพระเจ้าโจผีขึ้นมาได้แล้วก็พากันหนีไป เต็หงเต็หงที่ชี้เส้นเป็งห่วงซุงเสียวชี้เส้นแม่ทัพ ร, รู้ว่าซุเสียวดูร้านนำฐานสามพันไปเนี่ยด้วยความเป็นห่วงนะ่ะได้ให้เต็งหองนําถามมาช่วยให้ยกถามมาช่วยซุนเสียวนะ่ะครั้นเห็นพระเจ้าโจผีแตกขึ้นบกซุนเสียวก็ไล่รบเราดังนั้นเห็นซุนเสียวเข้าปีทับเจ้าโจผี เต็งหองก็จูตระทัดโ h o อ l ขับทหารเข้าสกัดกลางไว้เปี่ยวเลียวเปลียวเลี้ยวอ่ารเก่าแต่ขันพระเจ้าโจโฉนูเปลียวเลียวนายทหารพระเจ้ตัวผีเนี่ยเห็นเป็นหองรบเข้ามาดังนั้นเปลียวเลียยก็ขับมาเข้ารบด้วยเต็งหองเต็งหองก็ยิงเกาทันมาถูกบัานเอวเปี่ยวเลี้ยว สีหลงขุนขวานยอดฐานกล้าเห็นเปียวเยว่อเพื่อนกันถูกเก่าพันดังนั้นก็ขับม้าออกไปช่วยรบพลางถอยพลานพาพระเจ้าโ จ, จผีหนีพ้นไปได้ทหารหมือการาสังซึ่งไรติดตามมานั้นก็เก็บแบกอาวุธเรือรถข้าวของต่างๆและคาบฟันทหารพระเจ้าโ จ, จผีล้มตายเป็นอันมาก แล้วแมยทัพนมยกองก็พากันกลับคืน ม, มือีการสังเธอเจ้าขุ่กวนก็ไปจะทานรางวัลให้ตามบำเหน็จความชอบฝ่ายเตียวเลี้ยวที่ถูกกาวพันของเป็นห้องเขาที่บันเอลนะครั้นกลับไปถึงเมืองพิษเกาวพันตุ้มขึ้นมากแเรื่องราวของสามกกนี้แต่ในตอนนี้ เออถ้าเราจะว่ากันถึงความเมียร์อันสําคัญเนี่ยนะครับเขาพูดอย่างนี้นเกาพูดอย่างนี้เป็นไตร่ตรองอย่างนี้เออฟังพูดมาเจราจากันอะไรกันหเป็นไตร่ตรองต่อกัน ม, มันจริงแค่นี้พิลึกลงไปกว่านั้น ม, มันยังมีปามกันมาอีกเป็นอีกแบบอีกประการนึงเออเราจะว่ากันอย่างไร มีประเด็นของความเมืองนะครับเสฉวนต้องการเป็นไมเกรกับการต่างหรือเกินนี่ส่สงทูกมาเจรจ า, าเออกนรต่างก็อยากจะรู้จินนิทเทก็ส่งคนเก่งไปดูงเวลาเขาก็ปรากฏว่าเห็นไม่เห็นไม่กรว่าอย่างนั้นแต่จริงๆที่ลึกลงไปนั้นหกหลียญยังคงอยู่ในแผนการเดิมคือก็ต้องเรียกว่า จะรวมแผ่นดินทีนทั้งหมดให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้จงได้ก็จะต้องปลุกักต่ังหูโตเข้ามาว่าเป็นหนึ่งเจพผีก็เช่นกันแต่ข้าสู่มกวนหนีดูดู่าจะ่ะสนุกสนุกอยู่ไม่ค่อยจะคิดโอกรานท่าหรยนะเออจะว่ากันยันไร ทำให้เป็นอาวุธโจผียกครับมาตีกันตังการส่งก็ส่งนักสืบไปยังมหามิตรคือเสฉวนผมไม่ส่งจูเลนลงมาเหมือนการมาช่วยคือตี อ, อีกทางหนึ่งหวังนั้นจะเอากันใน่านและผลที่ได้รับโจผีแพ้กันตังเหตุต้องถอยทัพเพราะจริ่มจะมาตีพ้ายครัวก็ต้องถอยและในครั้ง น, นี้โจผี เสียยอดทหารเสือที่มีดีชั้นบึงขลิเดเตียวเลี้ยวถูกเกาพันกลับไปตายอพอกลับไปถึงบ้านถึงเมืองก็ตายอามีเป็นความที่ผ่านมาฝ่ายพระเจ้าเราเสียงพระเจ้าเราเสียง เอาเหล่าเสี่ยงไหมครับพระเจ้าเหล่าเสี่ยงสเสวยราชสมบัติได้สปีตอนนี้เป็นปีพุทธศักราช768ขงเบ้งมาหาอุปราชก็ได้ช่วยสนุบำรุงบ้านเมืองปกติสุขหามีโจงผู้ร้ายไม่ข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ อานาประชารัฐบาลก็อยู่เย็นเป็นสุขทั้งแผ่นดินนี่คือหลังจากเกิดสุดสงครามกันย่ำหนแย่ย็นเกระทังพระเจ้าเราปีตองเอาชีวิตไปทิ้งเสียทินงเป็กเ ต, เ ต, ตก็เป็นสุขดีกองทหารสอเงินก็ยังคงมีอยู่ก็ต้องเทียสสบสุดทรัพยความต่างๆอาน า, นาประการทั้งหลายทั้งปวงหน่แะ ทหารตัวเถีฝอเนีนะ่ยมันมีความต่างๆกาเขามาทูลก็เจาะหลักเสียงนะเอารายงานวัดันนี้บัดนี้ยนขีเจ้าเมืองกิมเหลงจูโผเจ้าเมืองโคกอุ้มโบเตงเจ้าเมืองอวดจิ้สามเมืองนี้ได้ไปคบคิดกับเบงเฮกเจ้าเมืองมันอ๋องยกทหารสิบ ม, มืมารบเมื อ, เองเอ็งเชียง ได้เมืองเองเขียงแล้วก็จะยกมาตีเมืองเสฉวนบัดนี้องค์ขัางจะมืองเองเขียง